ทำอากาศมันพอดีพอดีไม่ร้อนมากก็ไม่หนาวกำลังพอดีผู้ที่มุ่งหวังที่จะประกอบความเพียรก็นำพาได้โอกาสดีเพราะฉะนั้นห้อยผ้ากันตั้งอกตั้งใจลงไปผู้รักษาอุโวรสศรินก็ดี เราต้องให้มันลุกขึ้นนั่งภาวนาอยา่าไปเห็นแกนอนอย่างเดียวฝึกจิตนี่แหละให้มันสงบให้มันหายจากความห่วงความเงาถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันก็จะต้องติดในความหลับความนอนอยู่อย่างนั้นก็จะไม่มีปัญญาละกิเลสตัณหาอะไรเลย เพราะฉะนั้นอ่ะเจ็ดวันว่าเราจึงได้มาวัดทีหนึ่งฉะนี้มันก็ควรทำใจเข้มแข็งทำความเพียรให้เด็ดเดียวนอนน้อยที่สุดลนเลยแต่นี่ในตำราท่านแนะนำภูประกอบความเพียรว่านอนเพียงสี่ชั่วโมงก็พอแล้ว ว็อย่างมากก็ห้าชั่วโมงให้กาหนดลงอย่างนั้นเวลานอกนั้นก็เป็นเวลาที่เราฝึกตนหน่วยการฟังทำบ้างหน่วยการนั่งสมาธิภาวนาบ้างไม่ควรที่จะหาเรื่องอื่นมาพูดกันคุยกันเพราะว่าเราได้พูดได้คุยกันมาพลังแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญญา ที่จะละกิเลสออกจากหัวใจได้การที่จะละกิเลสให้บอบางจากกิจใจได้นั้นก็ต้องละโดยศีลศีลนั้นละกิเลสอย่างหยาบให้ออกไปกิเลสอย่างหยาบไม่เอาบาปอากุศลที่จะนำํำบุคคลให้ไปต ก, ตกนรกอบายภูมิผู้มัน่นในศีลแล้ว ก็จะไม่ทำบาปนั่นแหละการละกิเลสด้วยสินน่ะมันต้องมั่นใจในสินให้จริงๆไม่ต้องอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรถ้าไปมัวแต่อ้างอุปสรรคนั้นนี่อยู่ก็ก็จะเป็นผู้มีสินด่างสินพร้อยสินไม่สม่มเส ม, มเ อ, อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ผลที่จะได้รับต่อไปมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะสินนี้ได้เชื่อว่าเป็นรากเง้าของบุญกุศลก็ว่าได้เพราะว่าสินนี้เป็นที่รองรับสมาธิผู้มีสินเป็นพื้นฐานแล้วย่อมมีจิตใจของแพ่วเบิกบานปราศจากบาปอากุศล อย่างนี้แหละเจริใจที่สะอาดปราศจากบาปอกุศลก็สมควรที่จะเป็นฐานรองรับสมาธิภาวนามันเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าเมื่อใจเบิกบานผ่องใสปราศจากบาปอกุศลแล้วเราโน้มเข้าสู่ความสงบ มันก็สงบลงได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบ ก, กวนนี่ถึงจะมีก็มีบาเบาๆไม่เป็นบาปอย่างหยาบเหมือนอย่างเบือนนเบ้องต้นนั้นเบื้องต้นนั้นมันเป็นบาปขนาดหยาบเช่นอย่างว่าการคิดเบียดเบียนกันจองเวียนกัน ขาดเมตตากรุณาต่อกันและกันไม่เอื้อเพื่อเกื้อคูณกันมีแต่คิดเบียดเบียนใช้อำนาจบาดใหญ่คมขีขูดริดเอาจากคนคนที่มีอำนาจน้อยขัวตอนนี่เรียกว่าคนไม่มีเมตตารมกรุณาธรรมคนไม่มีศีลไม่ตั้งเจตนาวิรัต ล, ละเวน้น จากการเบียดเบียนดังกล่าวนั้นนะก็ย่อมมีจิตใจมัวหมองจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทีนี้มันจะมาโนมจิตสู่ความสงบระงับนี่ไม่มีทางจะเป็นไปได้ขอให้คิดดูให้ดีไอ้ผู้ที่ไม่มีศีลมันไม่สนใจที่อยากจะมานั่งสมาธิภาวนาอะไรเลยขอให้สังเกตดูมันจะนั่งได้ยังไงจิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอย มันสงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ที่จะมาสมาทานศินแปดหรือสินอุโบสถอย่างนี้มันก็ไม่กล้าไม่มีความสามารถคือว่าจิตมันถูกบาปอากุศลครอบงาแล้วมันให้โยธาในการที่จะทำความดีหมายความว่าอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาลงได้มารักษาศินอุโบสถอะไรลงไปอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปให้จิตใจมันน้อมไปทางบาปอกุศลควรรักษาเจตนาวิรัตลเเว้นจากบาปจากโทษนั้นไว้ให้ได้เมื่อตนได้เว้นแล้วก็เว้นเลื้อยไปเช่นนั้นแล้วบาปมันถึงจะเบาวางหมดไปจากจิตใจได้ถ้าไม่ตั้งเจตนาวิรัติเเว้นให้ติดต่อกันไปอย่างนั้นบาปมันก็ไม่หมดแล้ว มันเป็นอย่างนั้นถึงว่ามันสำคัญได้แทเรื่องสินนี่นะขอให้พากันใส่ใจให้มากๆทีเดียวว่ะอที่คนเราจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายสเสวยอิบา ก, กรรมทนทุกทรมานอยู่ในโลกนี่ก็เพราะเป็นผู้ล่วงสินนี่เองเนี่ยไม่สำรวมในสินไปปีดเวียนผู้อื่นและสัตว์อื่น ใช่เป็นทุกข์เดือดร้อนกรรมนั้นก็เลยติดตามสนองเอาเกิดชาติใดเพื่ก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถูกแต่เพื่อนเบียดเบียนเอาหาความสบายไม่ได้หามิตถาสหายยากมีแต่ผู้เป็นศัตรูต่อตน้นนี่เรื่องบาปกรรมเมื่อมันตามสนอง ม, นมันเป็นอย่างนี้แหละจะไม่เป็นทุกข์เก่งไรแล้วคิดดูดังนั้นแหละ ผู้ดมีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาถึงกับว่าได้เข้าวัดเข้าวานได้รักษาศีลห้าศีลอุโมงค์สดแล้วทีนี้ก็พากันรักษาให้มันสม่ำเสมอไปเพราะว่าอายุสังขาร น, นี่มันก็ไม่นานอะไรแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่นานแล้วต่างคนต่างก็จะต้องละโลกนี้ไปแล้วเดีวเราอะไรเอาอะไรติดตัวไปแบบนี้ ต้องคิดคำหนึ่งถึงตัวเองให้มากไม่มีอะไรสมบัติอะไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเองนะจะมีอะไรเล้าตนจะเอาทั้งบุญทั้งบาปไปด้วยเหรือก็ลองถามจิตใจตัวเองดูสิถ้าต้องการเนี่ยอาเอ า, เอ า, เอ า, เอาทั้งบุญทั้งบาปแล้วไปด้วยก็เอาไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าหากว่าตนต้องการความสุขล้นล้นไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ไปเบื้องหน้าให้เพีนสุขล้น่นไปอย่างนี้ก็ต้องเว้นจากบาปกรรมในชาตินี้ให้มันเด็ดขาดคงไปเลยอย่างนี้เพราะว่าสินนี่มันส่งบุคคลให้ถึงซึ่งวันิพานนู่นไม่ใช่ว่าจะสินนี่จะให้ไปแต่แค่สวรรค์นเนี่เท่านี้หรือให้เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านี้นะ ส่งให้ถึงพระนิพพานได้ทําไมยังไม่จะได้ส่งถึงพระนิพพานได้เอาขอได้สิบุคคลมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วอย่างนี้นะมันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเบิกบานพองแผ่วไม่ค่อยมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเท่าไรธรรมดาจิตใจที่เป็นบุญกุศลมันก็เบิกบานพองใส ที่นีนเมื่อเราน้อมลงสู่สมาธิภาวนามันก็ลงได้ง่ายถึงว่าจะมีกิเลสมาลบควรบ้างก็ไม่รุนแรงเราก็พยายามถอสท่มันไปเพ่งจิตคือความรู้สึกอ น, นั้นย่จนว่าสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ ระ ง, งับความคิดความวิตกวิจารณ์ต่างๆไปได้นี่นะนั่นแหละกิเลสอันใดที่มารบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้มันก็สงบลงได้เพราะว่าอำนาจแห่งความเพ่งที่ท่านเรียกว่าฌานฌนะานางแปลว่าการเพ่งนี่นะดัะนั้นเราต้องเพ่งความรู้สึกภายในนี่นะ น้มสติเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกกันนั่นโดยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ไม่คิดไปในเรื่องใดๆทั้งหมดนี่เมื่อสติมันแ ก, กล้าสมปัจฉญะทำความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้จิตของตนตั้งมั่นอยู่อย่างนี้สมปัจญะมันรู้สติมันก็ประคองความรู้สึก อันนั้นไว้อย่าให้มันหลงคิดพุ่งไปในทางอื่นเราเพ่งอยู่นั้นสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทําจิตนี่ให้รวมลงเป็นหนึ่งได้ละอารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบอันนั้นลงได้เช่นความรักความชังความง่วงเหงาเหงานอนก็สร้างไปด้วยอํานาจแห่งความเพ่งแห่งสมาธิ เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความวงเงาไม่มียอมสางไปเป็นอย่างนั้นแล้วความพุ่งสัน้นลำค้างเขาคิดก็ไม่มีความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญกุลโทษก็ไม่มีเช่นนี้นะนี่แหละกิเลส ท, ที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบให้เข้าใจกันเมื่อเราเพ่งเข้าไปกิเลสเหล่านี้มันระงับลงไปเราก็รู้นี่ หรือว่ามันยังไม่ระงรับก็รู้แต่เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพ่งอยู่ภายในไม่ประคองความรู้สึกอันนั้นไวน้นี่มันไม่รู้สิ น, นั่นแหละจิตอ่อนแอท่อแท้แล้วก็กิเลสมันก็ผลักดันให้คิดส่งออกไปข้างนอกนูน่นเอะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอาศัยเราเพ่งให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นไว้ แล้ววันนี้กิเลสอะระมันก็สู้อำนาจแห่งสมาธิไม่ได้ก็สงบไปเรื่องอย่างนี้นะต้องอาศัยทั้งความเพียรทั้งความอดทนนี่อาศัยสติสัมปชัญญะความเพ่งไม่ท้อไม่ถอยอดทนต่อเจ็บต่อปวดต่อหนาวต่อร้อนต่างๆโมนี่ถ้าไม่ไม่มีขันติธรรมประกอบเข้าด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะว่ากิเลสมันบรบกวนจิตใจเราจิตใจมันก็อ่อนไหวไปตามกิเลสถ้าเราอดกั้นทนทานไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามกิเลสแล้วกิเลสมันก็จเจริญขึ้นไม่ได้อมันเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นยังว่าการทำความเป็นทางจิตใจนีต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละอ่มีความเพียรเพ่งพินิษด้วยแล้วกระทั่งมีความอดกั้นทนทาน ออำนาจของกิเลส ท, ที่มาลบปวนจิตใจด้วยอาศัยสตยิประคองความรู้สึกอนนั้นไว้อย่าให้มันคิดอาศัยสัมปัชญะทำความรู้ตัวรู้รู้ความรู้อันนั้นแหละความรู้อันนั้นคือดวงจิตอ่ะรู้ว่าจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก็รู้อย่างนี้นะนั่นแหละการที่มารู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนั่นนะ่ะเรียกว่าสัมปัชญะ นี่คุณธรรมเหล่านี้แหละพลกกันบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าไปท้อถอยเราต้องสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วใจก็ไม่มีกำลังไม่เข้มแข็งเอาชนะกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการทำใจให้สงบระงับนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อย อ, อย่างนี้แหละ เพราะว่าถ้าหาว่าจิตไม่สงบแล้วอย่างนี้นะปัญญาก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนทำความเพียนเพ่งเข้าไปอา้าวจิตสงบลงมาเกิดนิมิตเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่ไปสารพัดแต่บางคนก็มีนิสัยชอบเกิดนิมิตภาวนานะ่ บางคนก็ไม่เกิดมีแต่จิตรวมลงไปแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีนิมิตอะไรก็เอาเอาจิตนั่นแหละเปน็นนิมิตนะความรู้สึกอันนั้นแหละเป็นนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายอย่างนี้บางคนก็มีเครื่องเครื่องหมายหลายอย่างเห็นรูป ต่างๆนานาบ้างได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรบ้างเห็นแสงสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะออบางคนก็เลยไปถึงสวรรค์ถึงมุมโลกนู่นที่แท้เราก็คือสัญญาไม่ใช่ความจริงนั่นแหะมันเป็ น, ป น, ปนไปตามนิสัยของบุคคลแล้วก็ไม่ใช่ทำอันวิเศษนะ การเห็นไปอย่างนั้นน่ะใช่ก็ยมีพิกธูองค์หนึ่งแต่ครั้งองค์พุทธเจ้านั่นน่ะท่านภาวนาทำจิตให้สงบลงไปอย่างละเอียดละอ้อแล้ววะนี่เอมาคิดว่าดับท่าสีนี้ไปดับตรงไหนนาะอย่างนี้นะทั้งที่จิตของท่านสงบลงไปอย่างละเอียดละออเลยเป็นฌานไปโน่นนี่น ก็สงสัยบนี้พราสงสัยเพราะท่านมีจิตสงบได้บรรลุฌานในท่านมันก็มีฤทธิ์แหละรู้ว่าตนมีฤทธิ์เอ๋เราจะไปถามเทวดาชั้นจาตุมดูก่อนพอหนึกอธิษฐาจนจิตนิมันก็ตัวลอยไปสู่ท่านจาตุมไปถามพวกเท่าจารุมมหาราชังซีท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน นก็แนะนำให้ไปถามนายของผมอะ่ะนายผมคือพยายินว่างั้นบางทีท่านจะรู้เอาคนลอยขึ้นไปสู่ดาวบริงไปถามพยาอินพญายินก็ไม่รู้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าการดับธาตุสีเนี่ยไม่ทราบไปดับตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันขอให้ไปถามธรรมาพรหมดูก็แล้วกันพญายินแนะนำ อา้าทาอธิษฐานจิตลอยขึ้นไปสู่พรหมโลกไปในขณนะนั้นพวกพรหมกำลังประชุมกันอยู่มีท่ามหาพรหมเป็นประธานก็ไปกระชิบถามท่ามหาพรหมมาท่ามหาพรหมก็กระชิบกับพระองค์นั้นว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าข้าพเจ้าจะพูดดังๆนี่พวกพรหมบริษัททั้งหลายได้ยินแล้วก็จะขายหน้าว่างั้น ทำไมแล้วท่านจึงล่วงเลยพระศาสด า, า, ามามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละจะรู้ทางวิธีดับธาตุสี่ขันธห้าอันนี้ลงได้เหมือนกันท่านจงกลับลงไปไปทูลถามพระพุทธเจ้านั้นดีกว่าเหมือนกันพระองค์นั้นถึงได้กลับจากภพโลกลงมา อ, อ่ลงมาแล้วก็ไปฟ้อพระพุทธเจ้า ไปทูลถามถึงอุบายวิธีดับธาตุทั้งสี่อันนี้พระ อ, องค์เจ้าจึงได้ตรัสว่าอ้าวพิษุเธอก็ไปถามถึงถ้ำมหาพรหมนู่นแล้วไม่ใช่เหรอน่ะแล้วทําไมจึงมาหาเราสถาคตอีกเล่าว่างั้นถึงถ้ำมหาพรหมก็ไม่รู้พระเจ้าข้าวว่างั้นดังนั้นแล้พระองค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนพระองค์นั้น ให้รู้จักวิธีดับธาตุทั้งสีกระท o สอนให้เพ่งพิารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงและจะไปยึดถือว่าอันนั้นธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุไฟอันนี้ธาตุลมไม่ต้องไปยึดถือมันปล่อยวางตามสภาพเช่นนี้แล้วความจำความหมายความรู้สึกอันนั้นก็ดับไป เมื่อความหมายความจําความรู้สึกมันดับไปแล้วก็ชื่อว่าดับธาตุสีหมายความว่าจิตปล่อยวางธาตุสี่ได้แต่ธาตุทั้งสี่มันไม่ดับไปไหนหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเมื่ร่างกายของคนนี้เมื่อแตกดับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําอยู่ของเกา่าเป็นอย่างนั้นแต่จิตนี้หากไม่ถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเลยอย่างนี้นะ นั่นแหละชื่อว่าที่ดับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อจิตไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นแล้วในส่วนที่เป็นรูป ก, ก็ปล่อยวางตามสภาพอันนี้ยัง น, นส่วนที่เป็นนา ม, มาธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอาการของจิตเราต้องเพ่งพิจารณาให้รู้ นา ม, มาทำทั้งสี่นี่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรยั่งยืนเลยให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันจิตจะไปหลงยินดียันร้ายกับมัน เช่นนี้ก็จะเป็นผู้ดับเสียได้ซึ่งนา ม, มาทำเมื่อพระองค์นั้นได้สดับโอวากจากกระสาดรดาแล้วท่านไปทำความเพียรพยายามไปไม่นานก็สำเร็จอรหัตตะพหลุดพ้นจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้นี่ขอให้พากันเข้าใจ้เรื่องการส่งใจไปข้างนอกไปตามนิมิต ต่างๆหมู่นั่นน่ะมันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกนะ่ะการที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากำหนดเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่นะ่ะถ้ากิเลสอนไดมันมีอยู่ในใจในี่มันก็แสดงอาการให้จิตรู้พอมันรู้จิตรู้แล้วก็จิตกำหนดละมันไปอย่างนี้แหละเพราะอำนาจแห่งสมาธิ เมื่อมันสงบลงไปทับกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ก็แสดงอาการออกมาจิตก็รู้ว่านี่อันนี้คือกิเลสอย่างนั้นอย่างี้แล้วท่านก็กำหนดละกิเลสอย่างนั้นเสียไม่ถือไว้มันก็ดับไปสิถ้าจิตไม่ถือแล้วจิตละแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะที่กิเลสมันตั้งอยู่ได้นเพราะจิตมันยึดถือเอาไว เช่นความรักอย่างนี้นะเมื่อจิตยึดถือไว้ mm. มันก็มีอยู่งั้นแหละความชังก็เหมือนกันนะความหลงความเมาไปตามสมมติบรญญัติต่างๆนานาโมนี่ถ้าจิตไปยึดถือเอาสมมุติเอาบัญญัติไว้มันก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละ เ, เ, เ, เ, เ, เขาสมมุติยังไงก็หลงก็เห่อไปตามเขาเขาสมมุติกันว่า ผู้มีบุญเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ผู้มีบุญนั่นรู้อดีตอนาคตอะไรอย่างนี้นะอ้าก็ตื่นกันไปกันแล้วนี่ทุกวันนี้ก็มันก็เจตนาที่จะไปขอโชคขอลาบนั่นแหละมากกว่าที่จะไปเอาบุญนะเมื่อรู้ว่าผู้มีบุญรู้อดีตอนาคตอะไรขึ้นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะไปขอ เลขขอหวยกับเพื่อนขอโชคขอลาบอะไรต่ออะไรอย่างอื่นโดยความรู้สึกของคนหมู่มากนั้นว่าท่านผู้มีฤทธิ์อย่างนั้นท่านสามารถที่จะบรรดาลอะไรต่ออะไรให้ผู้ไปร่องขอยอมือได้อย่างนี้ก็ลังกันไปอย่างนั้นแหละเอาพวกที่ช่วยโอกาสอยู่ใกล้มันก็ทา ถ้าเป็นกรรมการจัดการเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองให้ที่นี้ก็เอาแบ่งกันเอาไปบ้างแล้วก็เอาให้เจ้าของผู้เป็นเจ้าตนบุญบ้งอะไรพวกนี้นะเคยมีอยู่เคยมีอยู่เนี่ยเลื่อยมาเป็นระยะระยะมานี่แหละความหลงของคนนะ่ะเพราะฉะนั้นให้ภาวนาให้รู้ไว้ผูใ้ใดรู้ว่าเมื่อตนมีศีลบริสุทธิ์แล้ว ยืนยันได้ว่าตายแล้วตนก็ไม่ไปตกนรกกรด้ชื่อว่าตนมีบุญสิอย่างนี้เมื่อตอนทำใจสงบเป็นสมาธิอยู่ได้ดีอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่ตกไปในบาปอากุศลเมื่อตอนเจริญปัญญาเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันห้านี่อยู่ตามเป็นจริงไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ยิ่งเป็นบุญอย่างสูงเลย ถ้าตนทําในใจโดยไว้แอบใครอยู่เนี่ยตนก็เป็นคนมีบุญผู้หนึ่งแลวเรื่องอะไรแล้วสิจะไปตื่นเต้นกับเจ้าองค์บุญที่ข่าวโคตรสนา ค, คมลอยต่างๆมาวันนั้นเรียกว่าในทางธรรมะท่านเรียกว่าถือมงคนตื่นข่าวไม่เชื่อกำรรไม่เชื่อผลของกรำนี่นะอ้อย่างนี้เนี่คุณเข้าวัดเข้าว่าอยู่ ทำบุญฟังธรรมอยู่ก็ยังหลงตื่นเต้นไปตามมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านี้มากมาอยู่ของคนไทยเรายังหวะนี่นะหน้าทูเรศนะเดี๋ยวนี้ก็ตื่นอะไรโตอะไรกันสารพันแหละไม้ตนม้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะเอ้าก็ไปตื่นกันมีคนไปขูดเปือกมันขูดสักเกีมันออกอ้าปรเกิดมาเป็นตัวเลขตัวผาขึ้นมา ผู้นั่นได้เลขไปซื้อแล้วถูกข่าวโคดธนาติดต่อกันไปก็ลุกหือกันไปขอแบบ น, นี้นะเพื่อขอโชคขอลาบกับต้นไม้ใหญ่เอออย่างนี้มันจะถอยหลังเข้าครองแล้วคนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นน่ะก็ถือกันอย่างว่านี่แหละถือมองคนตื่นข่าวอย่างนี้แหละข่าวลือว่าเจ้า ผูมีบุเกิดขึ้นอีก oh, Go, Go, ัล้วก็โห o กันไปโห o กันไปโหกันมาอยู say, ่ของนั่นน่ะอบางพวกก็สอนกันให้ไหว้พระอาทิตย์ไหวพระจันทร์บางพวกก็สอนกันให้ไหวงูก็มีงูนั่นเป็นเชื้อสายของพญานาคอบางคนก็สอนกันให้ไหว้โคออย่างนี้แหละคือศีอาจารย์บางองค์ก็ไปสอน คนให้ลงอาบน้ำแม่คงคาน้ำแม่คงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านเสียนของภาษีวะมาแต่สวรรค์ผู้ใดลงอาบลงกินแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแต่ก่อนนั้นก็จะหายไปหมดไปคนอินเดียก็ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้แหละตื่นเช้ามาหนาวแสนหนาว ลงไปอาบหน้าแม่คงคาแล้วขึ้นมายืนประนมมือไหว้พระอาทิตย์อ้อนวอนขอให้พระอาทิตย์ได้ช่วยให้ร่ำให้รวยให้มั่งมีสีสุขอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปไอ้อย่างนี้แหละนี่ความหลงของมนุษย์เรานะเมื่อยังไม่พบที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้มันก็ยังสงสัยยังเลื่อนลอย ยังตื่นข่าวอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งพวงไปได้เพราะว่าการลนะอาบร้างชำระร้า ง, ร, างร่างกายอันแต่ภายนอกนี่เฉยๆนะน่าจะให้บาปให้กรรมความชั่วมันหมดไปได้อย่างไงอะ่ะเพราะา่าความชั่วอะไนอยู่ที่ใจทางห่างนี้นันเนะง ถ้าไม่เอาน้ำคือธรรมะเข้ามาล้างกิดล้างใจนี่แล้วไม่มีทางบาปมันจะหมดไปได้ในชาวพุทธเรานะเมื่อได้ปฏิบัติ ม, มีสินบริสุทธิ์ทาใจเป็นสมาธิจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเห็นความจริงของสังขารแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าทางคนทุกข์มันอยู่ตรงนี้ คือความไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละจะพ้นจากทุกไปได้การอ้อนวอนดวงสวงไม่มีทางพ้นทุกเพราะว่าจิตใจใะมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้เมื่อยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้ตราบใดแล้วทุกก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเพราะขันห้ามันไม่เที่ยง เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยง้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้แล้วเช่นนี้นะเราจะไปหาทางคนทุกข์ทางไหน บ, บ่นี้นั่นเนี่ยหาทางไหนก็ถ้าจิตใจยังยึดขันห้านี่อยู่ใช้ขันห้านี้ทำกรรมดีกรรมชั่วอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็จะ น, นำจิตให้ไปเกิดในขันห้าอีก ก็จะได้เสวยทุกทรมานอยู่ในของไม่เที่ยงนั้นอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้เทศมามองเห็นว่าตนมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วตนทาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่ตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอนนี้อยู่เห็นแจ้งในคาดีคาชั่วอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตื่นเต้นกับมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านั้น ปฏิบัติฝึกตนเข้าไปละกิเลสความชั่วไร้ทั้งหลายให้เบาวางไว้จากกิจใจนี่มันก็พ้นทุกข์ไปโดยลำดับเท่านั้นเองนะ